35. กรรมามารพันธะวัตถุว่าด้วยบุตรช่างทองผมจุกห้าแยมบรรพชาข้อสมัยนั้นบุตรช่างทองศีรษะล้นคนหนึ่งทะเลาะ ก, กับมารดาบิดาได้ไปยังอารามบรรพชาในหมู่ภิกษุต่อมามารดาบิดาได้ออกตามหาบุตรไปถึงอารามถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านได้พบ เด็กชายมีรูปร่างเช่นนี้บ้างไหมเจ้าค่าพวกภิกษุที่ไม่รู้เลยก็กล่าวว่าพวกอัตมาไม่รู้พวกภิกษุที่ไม่เห็นเลยก็กล่าวว่าพวกอัตมาไม่เห็นขณะมารดาบิดาตามหาได้พบบุตรบรรพชาในหมู่ภิกษุจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศิลชอบพูดเท็จ รู้อยู่แท้ๆก็กล่าวว่าพวกอาตมาไม่รู้เห็นอยู่ชัดๆก็กล่าวว่าพวกอาตมาไม่เห็นเด็กนี้ได้บรรพชาในหมู่ภิกษุเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินมารดาบิดาของบุตรช่างทองผมจุกตำหนิประนามพลธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อัปโปะ ต่อส่งเพื่อการปลงผม